เรื่องคนไม่มีทั้งบาทและจีวรสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ไม่มีทั้งบาทและจีวร อ, อุปสมบทพวกเธออุปสมบทแล้วก็เปลือยกายเที่ยวบินทบาทด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตมิตรประนามโพลท น, นาว่าเที่ยวบินทบาทเหมือนพวกเดรรทีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีทั้งบาทและจีวรไม่พึงให้อุปสมบท รูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บ18